พุทโธสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพุทธวัต์อันนี้หมือความว่าพุทธวัจนะนะคะคือคําสอนของพระพุทธองค์สิ่งที่พระพุทธอโ์ตรัสไว้แล้วก็พระศ า, าสดาไม่ได้ตรัสอย่างอื่นนะคะเป็นน้ําที่เอามาใช้ไม่ได้ในท่านตรัสเนื้อเนื้อเลยนะคะก็คือคําสอนที่เป็นธรรมะกับวินยัยโดยมีพระมหาภบยบุญอภิปุณโณ น, นะคะจะเป็นผู้ให้ปัญญาเรา ทางรายการสัสนิษฐานาที่ดิฉันสันนิษฐานาคพงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ทางวิทยุสทอรอเอฟเอมร้อยหกครอบครัวข่าวเนี่แหละค่ะเราไปกราบนมัส ก, การท่านกันเลยนะคะนมัส ก, การกันท่านคะ่ะเจริญพรค่ะก็มีมีเรื่องคิดว่าสําคัญมากอนะคะที่จะมากราบเรียนถามท่านวันนี้อือเพราะว่าท่านก็จะพูดอยู่เสมอในเรื่องของการปฏิบัติ โดยเฉพาะห ล, หลักๆที่ท่านสอนปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกก็จะเป็นวิธีนี้อาณาปานสติใช่วันนี้ดิฉันเองก็นั่งขับรถไปก็ฟังพระสูตรนี้ไปฟังแล้วเนี่ยอยากจะมาสอบถามท่านเลยนะคะว่าพราะพุทธองค์เนี่ยจะตรัสถ้าคนไม่ได้สังเกตรหรือสมาธิไม่ดีเนี่ยดอฉันว่าบางทีมันงงหมดนะเหมือนกับว่าอะไรก็ใหมาลุลลมหายใจเข้ารลลมหายใจออก รู้หายใจสั้นรู้หายใจยาวอย่างเงี้ยนะคะใช่อ่เช่นอย่างกับบทพยัญชนะที่บอกว่าอ่าให้ไปภิกษุไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกษุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นอันนี้หมดไปหนึ่งชุดแล้วนะคะก็ว่าแต่เรื่องหายใจดูเหมือนกับว่าโอ้โหพิจารณาอย่างละเอียดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกตลอดเวลาต่อมาก็มีการพูดว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกต่อไปก็ทากายยะสังขารให้รำงับหายใจเข้าทากายยะสังขารให้รำงับหายใจออก แล้วก็มารู้พร้อมซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยนะคะอืมอันเนี้ยอยากจะให้ท่านให้รายละเอียดของการเจริญอาณาปานสติอะคะ่ะโอเคค่ ะ, ะ ก, ก, ก็ก็เป็นตามลำดับที่พระพุทธเจ้าบอกไปใช่ไหมคะ่ะเราก็ต้องมีที่ที่มันเป็นเซนาสนะสงัดสะหน่อยหนึ่ง ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างถึงเช่นคนไม้บ้างเรือนว่างบ้างนะซึ่งคนไม้กนะ็ที่ที่มันไม่มีใครมากวนล่ะอยู่คนเดียวหรือเรือนว่างา จ, จะหมายถึงห้องนอนของเราที่ไม่ได้มีกิจกรรมอื่ น, นๆใดๆอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างอาจจะไม่ว่างทีเดียวแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะแต่ <Okay. S 1> ว่าไม่ได้มีกิจกรรมอื่นใดๆนี่หมายถึงเรือนว่างหมายถึงห้องว่างได้พอเข้าไปแล้วถ้าบอว่ามันไม่มี เขเรียกว่าอะไรเฟอร์นิเจอร์ไม่มีที่นั่งเนี่ยการที่จะนั่งแล้วให้กายมันตั้งตรงอยู่ได้ก็ต้องคู้ขาเข้ามาโดยรอบค่ะนี่เป็นสเต็ปแรกไปนะเราแกะทีละคำเลยนะค่ะเดี๋ยวนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบแล้วไงตั้งกายตรงเดีน๋ะั้งกายตรงเนี่ยหมายถึงว่าให้คอตรงด้วยให้หลังตรงด้วยนี่เราพูดถึงกายภาพนะทางกายภาพที่มันก็ต้องมีแง่มุมที่ลึกไปด้วยเพราะว่าคําสอนของพระพรุทธเจ้าเนี่ยมีแง่มุมที่ลึกอยู่ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าให้ใจเราเนี่ยปฏิบัติให้มันตรง แต่คำว่าตั้งกายตรงเนี่ยถ้าดูในบาลเีเราจะตีความเป็นลักษณะว่าให้ใจของเราตรงก็ได้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบนี่ก็คือหมายถึงตั้งบัลลังก์ขึ้นก็ได้เป็นบัลลังก์ที่จิตจะต้องอยู่แต่นะพูดง่ายๆคือคุณจัดพิธีลนะคุณจะแสดงวันนี้คุณจัดพิธีนะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งจิตของเราขึ้นเนี่ยแล้วก็ให้ตั้งจิต ง, งเราให้มันตรงอย่างนี้ก็ได้นี่ความหมายเบื้องลึกทีนี้พ อ, อตั้งจิตตรงแล้วไงนะใช้อะไรเป็นเครื่องมือก็ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า นะาหน้าตรงนี้ก็คือมุกในพระพุาสนาใช้คำว่าปริมุกขังก็หนะมายถึงว่าพูดถึงเรื่องอะไรถ้าลมหายใจก็เป็นทางเข้าทางออกปรินี่คือแปลว่าบริเว ณ, ณมุกนี่ก็คือเข้าออกบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งบริเวณทางเข้าทางออกอย่างถ้าในภาษาไทยเนี่ยเราใช้คําว่ามุกเนี่ยในการเช่นบริเวณประตูมีหลังคายื่นออกมาここออกมารฝนเนี่ยตรงนี้เขเรียกเป็นหน้ามุกไอ้ตรงมุกเนี่ยก็คือบริเวณที่ยื่นออกมา เพ่อที่จะให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกเท่าไงค่นะคอาบางคนเนี่ยที่ฉันคุยกับเพื่อนหลายคนนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ตรงตำแหน่งที่อยู่ปลายจมูกนะคะสําหรับลมหายใจอ่มุกของเขาเนี่ยอาจจะไปอยู่แถวๆ ร, รู้ที่ท้องบางคนหนักกว่านั้นนะเขาเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยรู้ลมหายใจที่หูคะ่ะท่านคะออืจะถือว่าเป็นมุกได้ไหมคะเอ่อก็จะในในความหมายตรงนี้ไม่ได้นะ อ๋อเหรอคไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันต้องเป็นทางเข้าทางออกเป็นบริเวณนี้เป็นบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้ที่มันยื่นออกมาจากร่างกายของเราต้องตั้งแต่จมูกว่าไปนะคือจมูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยื่นออกมาจากหน้ามันยื่นออกมาเ พ, เพื่อที่รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจแต่บางคนเนี่ยอาจจะสมมุติจุดข้างนอกร่างกายเธรรมาก็เคยได้ยินว่ามีคนเขาทาอย่างนั้นนะเลยออกจากจมูกไปหนึ่งคืบ อยู่บริเวณเอตรงจมูกนั่นแหละแต่ว่าเลยออกไปจากร่างกายอีกหนึ่งคืบอย่างเงี้ยเขาสังเกตจุดนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่นี้ประเด็นคือตรงนี้ว่าเอาสักที่หนึ่งเนี่ยที่เป็นที่ที่มันคงที่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าท้องเนี่ยมันจะต้องตามลมมันเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวมันเอพองเดี๋ยวมันยุบมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องไม่ตามนี่คือประเด็นค่ะให้มันนิ่งๆให้มันรู้ว่าลมผ่านใช่ใช่ ประเด็นของลมหายใจเนี่ยคือมันผ่านเข้าผ่านออกมันมันไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้ามันไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลาแล้วไปตามลมมันก็จะไม่นิ่งอันนี้คือประสบการณ์การปฏิบัติของอาตมานะว่ามันก็จะไม่นิ่งแต่ถ้าบอกว่าเราให้จิตของเราอยู่ที่เดียวซักตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วสังเกตลมที่มันผ่านเข้าผ่านออกโดยไม่ได้ตามลมเอออันนี้มันทําให้จิตของเรานิ่งได้ซึ่งมันก็จะมาสอดคล้องกับการที่ทําให้จิตตั้งมั่นนั่นเอง นะการที่จิตตั้งมั่นมันคือมันต้องอยู่คงที่อ่ะอยู่ตำแหน่งนิ่งๆเดียวๆนะฝึกได้ชำนาญแล้วหาจจะค่อยทําอะไรที่มันลีลาลดพลนก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเริ่มต้นนี่ให้ทําอย่างนี้นะซึ่งซึ่ ง, งบางคนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ใช้บริเวณที่เรารับรู้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราหายใจเข้าหายใจออกแรงๆรับรู้ได้ที่ไหนเราก็เอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นนะพอทําชํานาญไปผ่านไปแล้วไอ้คำว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งก็ตามที่เรามีความชํมนานาญทําไปค่ะตรงนี้ก็พระพเจ้าจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดแล้วว่ า, าต้องเท่านี้เป็นรูปกี่ตารางมิลลิเมตรขนาดเป็นสีน่เหลี่ยมสามเหลี่หรือโดนัทจะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นกว้างๆไว้เนี่ยกว้างๆไว้ววครั่ ะ, <ว>ะท่านคะคื อ, อดิฉันคิดว่าเราจะต้องอ้างถึงบทพยัญยชนะ อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เข้าใจได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดิฉันเองเนี่ยอยู่กับหนังสือนะคะก็จะได้ถามท่านได้ตรงมากยิ่งขึ้นอย่างในช่วงต้นเนี่ยตอนที่หลังจากคู่ขาเข้ามาโดยรอบพระพุทธองค์ก็จะบอกว่าให้มีสติตั้งกายตรงเสร็จแล้วให้ใมีสติหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือทําในสิ่งที่ท่านบอกใช่ไมคะว่ามีสติและกำหนดการรู้อยู่ตำแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง ถูกต้องอ่ะทีนี้บอกว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกอันนี้หมายความยังไงคะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายของเรามันมีหลายอย่างนะกายของเรามีหลายอย่างเช่นถ้าเราจะดูโดยความเป็นาธาตุเดี๋ยก็จะมีาธาตุดินธาตนุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้เราดูตามเป็นาธาตุถ้าเราดูตามอวัยวะต่างๆเดี๋ยก็จะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ถ้าเราจะดูตามลักษณะการทํางานก็จะมีส่วนเป็นภายนอกเป็นภายในนีเป็นมันก็จะแบ่งได้หลายอย่างทีนี้โลหมหายใจแล้วก็เป็นกายอย่างหนึ่งนะกายอย่างหนึ่งทีนี้ตรงคําที่พระพรุทธเจ้าได้พูดถึงว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเนี่ยคำว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นส่วนใด ใ, ในกายสักอันใดหนึ่งก็ได้นะคือจิตของเราเนี่ย ให้อยู่ในกายแอย่าให้จิตของเราเนี่ยอย่าให้ออกไปนอกกายนะอยากให้เรารู้สักส่วนสหนึ่งเส้นคุณอาจจะรู้ที่เล็บคุณอาจจะรู้ถึงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในกายอาจจะรู้ถึงหัวใจมันเต้นอาจจะรู้ถึงท้องมันยุบพองอย่างนี้ก็ยังดีรู้สร็จแล้วยังไงะให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกนะอย่าเอาจิตไปไว้ตรงอื่นให้เอาจิตมาไว้ตรงลมหายใจเข้าลมหายใจออกค่ะ อันนี้คืออันหนึ่งนะอันนี้คืออันหนึ่งยังยไม่จบถ้าเราจะอธิบายขยายความปอีกว่ากายมีอะไรอื่นบ้างก็ลมหายใจนั่นแหละคือกายอะจะเป็นลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจเร็วลมหายใจช้าลมหายใจอุ่นลมหายใจร้อนอย่างงี้ก็กายได้นั่นน่ะสิคะคือดิฉันกําำลังสงสัยว่าในเมื่อวิธีเนี้ชื่ออาณาปานสติอาณาป่าหมายถึงลมหายใจใช่ไหมคะมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วลมหายใจเป็นกายเนี่ยในที่นี้จึงน่าจะ กำหนดเฉพาะว่าเป็นเรื่องของกายที่เป็นลมหายใจหรือเปล่าค่ะก็ได้ทั้งนั้นก็ก็ได้คําว่าได้ทั้งนั้นนี่หมายความว่าอถ้าคุณโยมือสติความตรงนี้ก็ได้เพราะว่าคําพูดบริสุทธิ์ก็คือกายทั้งปวงแต่เราจ ะ, ะพูดถึงเฉพาะในคอนเท็กซ์เรื่องนี้ก็คือเรื่องของลมก็ได้ค่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าอไม่ต้องไปรู้อะไรมากเพื่อที่จะได้รวมรวมจิตของเราถูกไหมคะ<ป>รวมมีสติอยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ใช่ทีนี้ประเด็นคือบางทีคนก็ ไม่จิตฉันไปอยู่ที่ท้องค่ะอย่างที่ว่าเนี่ยคุณโยมที่ว่าเอ้ยทำไมฉันมารับรู้ชัดเจนที่ท้องค่ะทำไมฉันมารู้ชัดเจนที่ตอมทอนซินอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็จิตคุณไปอยู่ตรงนั้นคุยก็ให้รู้เอาไว้น่ะว่ามันมีอะไรนะคือบางทีมันจิตมันไหลไปตรงนั้นเราก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจค่ะนี่คือความหมต้องกลับมาที่ลมหายใจนะคะอ๋อตรงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยท่านผู้ฟังก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจว่าทําไมชื่ออาณาปานสตินะคะอ่าทีนี้พระพุธองก็ตรัสต่อไปอีกว่า เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า<ช>อันนี้คือสิกขาหรือใช่ไหมคะถูกต้องเราเป็นผู้ทํากายสังขารหรือกายสังขารเนี่ยให้ระงับหายใจเข้าหายใจออกไ อ, อ, อ, อ, อ, อตรงที่รู้พร้อมเฉพาซึ่งกายทั้งบนนี้ก็ทําการศึกษานะถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือบางทีจิตเรามันไหลไปเราก็ต้องออสำรวจไปละอะถ้ามันไม่ไหลไปกลับมาที่ลมหายใจทีนี้การทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับนี่คือคําที่พระพุทาใชา้ ค่ะกายสังขารสังขารตะรับปรุงแต่งค่ะใช่ฝึกในการที่จะทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับแล้วเอาจิตเนี่ยมาไว้กับลมหายใจคือกายของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะพูดถึงกระบวนการทางชีววิทยาก็หายใจนี่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าถ้าพูดถึงกระบวนการย่อยอาหารกระบวนการที่หัวใจมันปั๊มเลือดอันนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เราไปรูปพร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงนะกับมาที่ลมหายใจแต่ถ้าผมว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆของของกายของเราเดี๋ยวเราทําการปรุงแต่งการเปลี่ยนแปลงของกายนั้นเนี่ยให้ระ ง, งับแต่ถ้าเราจะหมายถึงในกรณีของลมหายใจเนี่ยก็คือบางที่ลมหายใจมันเบาลงแต่มันนิน่งไปเหมือนกับว่าไม่ไหายใจนนี่คือทําการปรุงแต่งทางกายให้ระ ง, งับแล้วก็ฝึกในการที่ทํานี้ แล้วกลับมาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอาทีนี้ลมหายใจมันระงับแล้วมันจะไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ยังไงมันก็จะต้องอยู่ตรงประเด็นที่ว่าจริงๆลมหายใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้มีแต่ว่ามันมีอยู่แต่บางทีมันน้อยมากแผ่วเบามากในกะารเปลี่ยนแปลงมันน้อยมากแผ่วเบามากแต่เราถ้าสังเกตดูดีๆเราจะยังเห็นลมหายใจ ข, ของเราอยู่อันนี้คือการปรุงแต่งทางกายระครับอันนี้คือกรณีที่1หรือกรณีที่2 ถ้าเราพูดถึงการเรียบทการเคลื่อนไหวเราก็เราไม่ได้เคลื่อนไหวเราก็นั่งนิ่งๆแล้วอันนี้ก็จะพูดว่ามันระ ง, งับก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็คือว่าอานันตปฏิสติเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ที่มีกายไม่ยกคลงล่ะเพราะฉะนั้นการที่เรานั่งนิ่งๆได้ไม่ขยับตัวตรงนี้ยุกยิกตรงนี้แต่ไม่ยกขึ้นมากาวไม่จับจมูกพวกนี้คือการปรุงแต่งทางกายระ ง, งับละค่ะอย่างนี้ก็ได้ก็เท่ากับว่าเมื่อเกิดอาการที่เรียกว่ามีกายสังขารมีการปรุงแต่งของกายเนี่ย เราเรางับแล้วเราก็กลับมาเจริญสติอยู่กับลมหายใจอีกถูกต้องกลับมาที่ลมหายใจอีกค่ะทีนี้ย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกอีกค่ะก็คือบางทีมันก็มีความรู้สึกที่อิ่มเอิบใจสบายใจนต่ไม่ใช่แค่นั้นยังมีความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์บ้างบางทีก็เกิดค่ะอย่าไปสนใจตรงนั้นให้กลับมาที่ลมหายใจอ๋อค่ะ นะคะคือถ้าถ้านี้ที่เป็นบทเพียรชนะธรรมานะเออกลับมาที่บทเพียรชนะผู้รชาเจ้าจะจะไม่ได้มีคําว่าอย่าไปสนใจตรงนั้นค่ะแต่บทเพียรชนะผูรู้เาเนี่ยคือให้ทําการศึกษาฝนให้มันรู้ตรงนั้นแล้วยังไงกลับมาที่ลมหม่ใชจกลับมาที่ลมหายใจนะคะแล้วต่อไปก็จะบอกว่าเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออก ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคารทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกคือการจิตตสังขารนี่หมายถึงการปรุงแต่งของจิตค่ะในการปรุงแต่งของจิตการปรุงแต่งทางจิตน่ยที่เป็นไปในรูปแบบต่างๆในการปรุงแต่งของจิตมีอะไรบ้างก็เช่นความคิดอย่างนี้เป็นต้นเช่นความรู้สึกนีความคิดนี่ก็เป็นสัญญานีความหมายรู้ใช่ไหมเอ่อความรู้สึกก็เป็นเบทนาเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละ จิตที่ไปทํากิริยาคือการรู้สึกได้การรู้สึกได้ตรงนั้นเรียกว่าเป็นเวทนาคือคือเป็นเวทนาเกิดขึ้นเป็นการปรุงแต่งของจิตทันทีเลยค่ะจิตที่ไปทําหน้าที่หมายรู้การหมายรู้ตรงนั้นเรียกว่าสัญญาอ้าวการมีการปรุงแต่งของจิตอีกละเพราะฉะนั้นการที่เราไปคิดเรื่องอดีตก็ตามเรื่องอนาคตก็ตามเรื่องตัวเราเองก็ตามเรื่องอื่นก็ตามเรื่องภายในภายนอกอะไรทั้งหมดเนี่ยความคิดทั้งหมดนั่นคือจิตตสังขารอ๋อค่ะ อ๋อค่ะเลย <Okay. S 1> ดิฉันยังเข้าใจว่าถ้าสังขารในที่เนี้ต้องเหมือนกับเป็นการเป็นขันตัวหนึ่งที่ไม่ใช่สัญญาคือเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งไปในสิ่งที่อันนี้ไม่เกิดขึ้นโอเคค่ะ <Okay. S 1> เป็นเป็นอาจารย์คะ่ะทีนี้จิตสังขารนี่ยังรวมถึงบางทีเราแบบนั่งสมาธิรู้รสึกเหมือนตกเหวเหมือนลอยขึ้นนะคือคือความความคิด แต่ความคิดเนี่ยบางทีเป็นคําพูดใช่ไหมคความคิดความรู้สึกบางทีไม่ได้เป็นคําพูดคแต่มันเป็นอาการเป็นอารมณ์เป็นแบบ feeling อ่ะนึกออกไหมมันไม่ได้เป็นคําพูดอ่ะค่ะมันแบบวุบเออวุบคันบ้างอะไรบ้างพวกนี้ยจิตตาสังขารหมดอ่ะค่ะเห็นโน่นเห็นนี่เออเห็นอะไนะโคตเห็นแสงได้ยินเสียงที่มันไม่ได้มีเสียงจริงๆแต่ว่าเรานึกไปเองบางทีเออก็นี่คือจิตตาสังขารหมดนะเพราะว่าจิตเข้าไปปรุงแต่ง คือพระพุทธเจ้าให้ค ำ, คำนิยามอย่างนี้ว่ากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าเวทนาแล้วอะไรที่มาทํากิริยาเนี้ก็จิตนั่นแหละจิตมาทํากิริยาในการรู้สึกการรู้สึกตอนนั้นจึงเรียกว่าเวทนาค่ะก็จิตนี่แหละเข้าไปไปทำตรงนั้นเป็นปรุงแต่งไปเป็นตรงนั้นดังนั้นถ้าหากว่าในขณะที่เราทําอาณาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเราเกิดคิดถึงอดีตที่ผ่านมา หรือเราคิดไปในอนาคตรหรือเรารู้สึกต่างๆนานาอันนี้นต้องให้กลับมารู้ลมหายใจเลยถูกต้องนั่นคือจิตสังขารใช่ไหมค่ะรู้ลมหายใจนะค่ะแล้วก็ทำจิตสังขารเรานะั้นเนี่ยให้ระ ง, งับด้วยให้ระ ง, งับด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกมีความคิดมีความอะไรก็ทำให้มันระ ง, งับลงซะ้ะลกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไปเห็นอะไรแป๊บทิ้งเลยถ้ารู้ตัวเอากลับมา<น>อยู่ลมหายใจใช่ นึกถึงโลนึก ถ, ถึงอาหารบางประเภทแมมันจะมีรสชาติเกิดขึ้นในป่าเอาทิ้งตรงลันซะแต่คำว่าทิ้งเนี่ยคือหมายถึงว่าทําให้มันระงับลงคือถ้าพวกรู้รสอาหารอะไรเงี้ยดี๋ยวฉันว่าพื้นๆ น, น, นะคะบางทีเราก็อ่ะกลับมารู้ลมหายใจอืแต่คนไปเห็นอะไรแปลกๆกันสิคะมันตื่นตาตื่นใจอยากเห็นอีกสักหน่อยได้ไหมคะก็ต้องกลับมารู้ลมหายใจพระพุทธเจ้า <c oughs> จึงๆึงพูดสองคำนี้ไว้แยกกันะน ะ, ะว่าใช่อยู่จริงๆบางทีเราไปเห็น แน่นอนแหละบางทีพระพุทธเจ้าเองก็เห็นนืจิตสังการมันมีแต่ ว, ว่าก็มีสติอยู่กับลมหายใจอันนี้เราจะไม่พลาดเพราะ <c oughs> เพราะว่าบางทีถ้าบูกว่าปัญหามันคือว่าเราลืมหลงสติเผลอไปลืมไปในเวลาที่เราเห็นจิตสังการที่มีได้ยินเสียงอะไรต่างเสร็จปุ๊บลืมลมหายใจลืมลมหายใจปุ๊บเผลอสติเผลอสติสสสปุ๊บมันเขา้าครอบงำได้มันก็จะดึงเราไปกิเลสมันเขา้าครอบงำปุ๊บนะกิเลมันก็จะผันตัวเองเป็นอย่างอื่นแล้ว่啊 โอ้ฉันมีความฉลมาดฉันดีกว่าเขาแต่ฉันเก่งกว่าเธออ่าเป็นเรื่องใหมายไปละเลยสติไปละเพราะฉะนั้นจะมีจิตตสังขารก็ไม่มีปัญหาละก็เพราะยันะนั้นพระพุทธเจ้าเขาบอกไว้ตรงนี้แต่ว่ามีสติหายใจเขามีสติหาย ใ, ใจออกนี่คือสําคัญค่ะเราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้ดระงับคือถ้ามีขึ้นมาต้องเรางับ<ข>เพราะพระพุทธองค์สอนให้ดระงับอ่าใช่ทําให้ระงับก็ได้หรือถ้าไม่ระงับคุณก็มีลมหายใจอยู่ก็ไม่เป็นไร คเข้าใจไหมคือถ้าเราบอกจะต้องทําให้มันระ ง, งับอะ่ะก็ไม่ได้บังคับขนาดนั้นเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะไม่ได้ทำให้มันระ ง, งบใช่ไหมมันยังมีอยู่เนี่ยบางทีมันไม่ระ ง, งับอะ่ะมันจะทำไงได้มันยังไม่ระ ง, งับก็ต้องมีสติในลมหายใจกลับมาที่ลมหายใจค่ะเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจหายใจเข้าแล้วว่าอะไรคะท่นานอ่จารย์หมายความว่า จิตเนี่ยมันมันดิดิ้นอะนะดิดิ้นเดี๋ยวไปเป็นความรู้สึกเดี๋ยวไปเป็นอารมณ์เดี๋ยวไปเป็นความคิดในคือจิตที่เขาจะไปะก้าวลงในสิ่งต่างๆ่างนก้าวลงในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ยึดถือว่าตัวนี้เป็นตัวเราอันตรีตัวนี้พวกนั้นคือการปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นเลยเรา<อ> <Kl> คิดว่าความคิดนี้เป็นฉัน <Voc> เราคิดว่าอารมณ์นี้เป็นฉันความรู้สึก น, น, นี้เป็นฉันแต่นั่นไม่ใช่ฉันไม่ใช่จิตนะแต่นั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตจนกระทั่งให้สิ่งเหล่านี้มันดับไปหมดก่อนคุณถึงจะเห็นจิตจริงๆ คือถึงจเห็นจิตจริงๆว่าอ๋อจิตจริงๆมันเป็นอย่างงี้ค่ะงั้นอบทเพยียรชนะต่อมังอาดิฉันขอรวบเลยได้ไหมคะที่มีเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยิ่งเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมัน่นเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่ก็เลยเริ่มทำการฝึกหัดศึกษาในสิ่งเหล่านี้ก็หายใจเข้าหาใจออกคือคืออาการของจิตที่ละเอียดลงไปอันนี้คือพระพุทธาต้องการจะจะนําไปตรงนั้นนะนะว่า พอมันมีการปรุงแต่งทิ้พวกนี้มันห ย, ยาบอแล้วละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วก็ละเอียดลงไปอีกจนจิตตั้งมั่นตรงนี้คะ่ะก็คือเราจะรู้ถึงสภาพของจิตได้จนกระทั่งเมื่ อ, อความหยาบๆที่อยู่ภายนอกมันเริ่มนิ่งลงนิ่งลงละเอียดลงละเอียดลงก็เป็นจิตเป็นตัวจิตเป็นความปราโมทเป็นความปล่อยเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นค่ะคือในส่วนตั้งมั่นเนี่ยถือว่ามีสมาธิแล้วถูกไหมคะใช่ ตรงนี้สมาธิดีแล้วเพราะว่าตั้งมั่นและพอตั้งมั่นแล้วทําไมต้องปล่อยอยู่ครับอาคือไม่ให้ไปพระพุทธเจ้าจะใช้คำนี้ว่าคือสมาธิเนี่ยบางทีมันจิตของเราเนี่ยไปเกลือนกลัวได้ไปแบบว่ากําหนัดในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นค่ะเข้าใจไหเพราะว่าถ้าเรามีความสุขเรามีความปราโมทเกิดขึ้นถ้าเราไปกําหนัดในความสุขที่เกิดจากสมาธินั้นมันไม่ดี มันะจะลืมลมหายใจแต่มันะจะเพลิดสติได้แดังนั้นตรงนี้ก็ต้องทําจิตให้ปล่อยคําว่าปล่อยในที่นี้ก็คือหมายความว่าเไม่ใช่ทําให้มันแบบมาครอบงาจิตเราได้ค่ะืแล้วก็ต่อมานะคะท่านก็บอกว่าเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําหายใจออกใช่แล้วก็ต่อด้วย เธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจําหายใจเข้าหายใจออกนะคะเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจํากับเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำโอเคก็แปลว่างั้นอันนี้เป็นชุดถ้อยคําที่เกี่ยวเนื่องกันว่าเมื่อสมาธิเนี่ยตั้งมั่นถูกไหมเมื่อเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ กระบวนการจิตก็จะพาไปใ ช, ใ ช, ใช่ใช่ใ่จนเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ เ, ออเห็นความจางคลายอืมทีนี้ทีนี้นี่เป็นเป็นลักษณะการสื่อสารทางทางด้วยตัวหนังสือหรือทางเสียงหนึ่งที่ว่าเวลาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็ต้องตรัสเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอ น, น, นใช่ไมค่ะทีนี้เวลาเวลาเราปฏิบัติจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันจะข้ามไปข้ามกันมาได้นะอ๋อ ม, มันจะข้ามกันไปข้ามกันมาได้เพราะฉะนั้นเห็นใช่ไหมเรา ทำจิตให้สงบระงับแล้วเราจะข้ามไปเห็นความปล่อยวางข้ามมาเห็นความแล้วกลับมาเห็นความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยอันนี้คือคเราทําการศึกษาฝึกฝนฝึกหัดให้มันเกิดขึ้นค่ ะ, <น>ะทีนี้ประเด็นที่ฉันมากราบเรียนถามท่านเนี่ยดิฉันได้พบว่าไม่ว่าจะมีปรากฏการอะไรที่เกิดขึ้นอืซึ่งอดี๋ยฉันเข้าใจว่าคงจะเหมือนกับเรื่องที่ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับอ่าปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะว่าอ่า กระบวนการกว่าจะไปเกิดความทุกข์เนี่ยมีความไม่รู้เรื่อยไปจนกระทั่งเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเช่นเดียวกันอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันเกิดขึ้นโดยโดยธรรมชาติอะพวกเราเนี่ยอาจจะแยกแยะลาบากถ้าไม่มาอ่านคําพระพุทธเจ้าถูกไหมคะใช่ทีนี้ที่น่าสนใจก็ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่พระพุทธองค์จะบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกเ <c oughs> ออันนี้ท่านจะสรุปให้เข้าใจง่ายง่ายครับดิฉันอาจจะทําไม่ทุกคนนะรู้สึกว่ามันยากแต่แต่ท่านทำง่ายง่ายเข้าได้ไหมครก็คือว่าให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าคุณจะเห็นสิ่งใดรู้สึกสิ่งใดใจไปอยู่ที่ไหนต้องต้องมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ก็คือง่ายๆ่ายครูบาอาจารย์ว่าตรงนี้ ตรงนี้อย่าไปต้องอื่นตรงนี้ค่ะงั้นอดูเหมือนกับว่าถ้าเราจะอศึกษาและปฏิบัติอาณาปานสตินั้นในระหว่างการปฏิบัติจะเกิดปรากฏการต่างๆดังที่พระพุทโธได้ตรัสไว้อย่างนี้แน่นอนมันจะมารวมลงกันในเรื่องอ่ามันจะมารวมลงกันในตรงเนี้ยได้สักอันใดหนึ่งแน่นอนค่ะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าเราจะต้องทําความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นสำคัญนั่นเองหายใจเข้ามีสติหายใจออกถูกต้องเหมือนท่านผู้ฟังเนี่ยตั้งแต่ฟังมาเนี่ยมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเบ้างอันนี้ต้องรู้นะค่ะอะเหมือนกับจะเป็นการจับเคล็ดเหมือนกันนะคะบางที <laughs> บางคนว่านั่งสมาธิอ่ะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้บอกไว้นะว่านั่งแล้วจะไปไหนต่อเอ่ะจะยังไงเนี่ยไปไม่ถูกแล้วก็ให้รู้ว่า ไม่ต้องสงสัยเลยมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าอยู่ที่ลมหายใจออกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ใชึ่งซึ่งในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราก็ตั้งสติไว้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ใช่อันนี้แน่นอนค่ะแต่คือเพราะว่าลักษณะของจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนเป็นธรรมชาติที่มันมันบีบได้ขั้นได้ปรับได้แต่งได้ซึ่งบางทีการที่เรามารู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงไปด้วยเนี่ยมันไปได้ แต่ที่ท่านได้กล่าวในช่วงตรงกลางนะคะที่พูดถึงเรื่องของบางทีลมหายใจสําหรับบางคนเนี่ยไม่ค่อยจะรู้สึกหรือบางทีรู้สึกก็รู้สึกเป็นห่วงเดี๋ยวก็หายไป เ, เดี๋ยวแล้วก็ตกใจนะหาลมหายใจไม่เจอทีนี้พอพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็มีสติกัแบบลมหายใจเข้าหายใจ อ, ยออกถ้าหาไม่เจอเราทําไงคะท่านคะคือว่าลมหายใจคําว่าอาสาสาปัสสะสที่พระพรุทธเจ้าหมายถึงตรงนี้เนี่ยก็คือการหายใจ ในการหายใจคือเราจะไม่ได้สัมผัสเป็นคอนแทคเป็นลักษณะว่าต้องมีฟิสิกอลคอนแทคไม่ได้ว่าจะต้องมีลมมากระทบปึ้งปึงปึ้งปึ้ลมนี่อาจจะแผ่วเบาเพราะฉะนั้น้ความแผ่าวเบาเนี่ยเนื่องจากอาการที่จิตของเราเนี่ยพอมันไม่ได้ไปแสสายไปรู้ตามตาหูทางอื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจิตมันก็จะรวมลงรวมลงรวมลงใช่ไหมพอจิตการมันรวมลงรวมลงเนี่ยไอ้บริเวณที่เราไปรับรู้สัมผัสของลมหายใจเนี่ยก็จะเล็กลงเล็กลงทําให้ ไอการที่เราไปรับรู้สัมผัสเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงค <Okay. S 1> ่ะเพราะว่าจิตเรารวมลงรวมลงอันนี้เปรียบเหมือนกับเวลาที่เราใช้แว่นขยายรวมแสงพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะใช้เลนส์นูนเนวรวมแสงพระอาทิตย์เนี่ยถ้าเราปรับจุดโฟกัสให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเนี่ยพลังงานตรงนั้นจะมากเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยพอมันไม่ไปทางอื่นมันไม่มีรูรั่วไปแต่มันก็รวมลงรวมลงรวมลงเนี่ยทาให้บริเวณที่เราไปรับรู้ถึงลมห า, ายใจมันเล็กลงลมหายใจแทบเลยจะไม่รู้สึกแต่ว่า การหายใจเนี่ยมันมีอยู่แน่นอนไม่งั้นเราต้องตายไปแล้วแน่นอนใจกับประโยคที่ท่านพูดเนี่ยทิ้งก็ว่าหากเราจะคิดออกว่าทําไมพระพุทธองค์ถึงได้ให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจนั่นก็เป็นเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมีอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆใช่ซึ่งซึ่งตัวนี้เราแยกแยกคำนิดหนึ่งว่าสัมผัสของลมหายใจนี่การหนึ่งนะแล้วก็การหายใจนี่ก็อนหนึ่งแแน่นอนบางทีเราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจแต่การหายใจเนี่ย มีแน่นอนเพราะฉะนั้นที่เราจะมาตั้งสติไว้เนี่ยก็คือเป็นตั้งไว้กับการหายใจซึ่งถามว่าไอ้การหายใจเราจะไปรับรู้การหายใจได้ยังไงสิ่งที่ตำแหน่งที่พระพุทธเจ้าได้แนะนําไว้ตอนแรกก็คือบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจค่ ะ, ะทีนี้ว่าถ้าสัมผัสเนี่ยมันแผ่วเบาลงไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีนะแต่เพราะการที่จิตของเราเข้าไปรับรู้มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยก็ให้ น, น, นี่คือในตอนที่อามาปฏิบัติเองน ะ, ะก็ให้จิตของเราอยู่ที่เดิมนั่นะ ให้จริงเราอยู่ที่เดิมอยู่กับความนิ่งนั้นแหละเพราะสติเกิดแล้วเป็นเสาเขื่อนเสาหลักแล้วและสมมุตินะคะอันนี้เป็นคาถามนะคะว่าฮ่ า, อาพอแผ่วๆลงเนี่ยสมมุติว่าตอนแรกเรารู้อยู่ตรงที่เดิมที่ท่านว่านะคะอแต่เรากลับไปรู้ที่อื่นชัดกว่าอย่างเงี้ยให้เราย้ายที่ไปรู้ได้รหรือไหมคะได้ได้อ๋อได้เหมือนกันล่คะค่ะก็ลองทําดูได้เหมือนกันค่ะก็ก็เลยทําให้มีหลายหคนก็พูดถึงว่า ไปอยู่หนึ่งครือบออกจากตัวไปก็ได้อย่างเง Dial ี้ยคือ ค, อคนนี้นี่พูดถึงว่าเป็นไปตามธรรมชาตินะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปบงังคับให้มันไปอยู่ตรงนั้นนะแต่นี่ <Okay. S 1> คือเป็นกระบวนการไปแล้วคุณฝึกปฏิบัติ ด, ดีแล้วมีความชำนาญแล้วโอ้มันก็เหมือนกับคนที่มีความชำนาญในเพลงยุทธแล้วเนี่ยคุณจะพลิกผันเปลีล่ยนท่าอย่างเล่นนักนักเปียโนเขาดนตรีอย่างเงี้ยตอนแรกต้องเล่นตามโน้ตเป๊ะ แต่พอหลังๆนันน้นมันมันพลิกตรงนี้ได้เปลี่ยนตรงนั้นได้มันก็ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ฉันก็ถือว่าคุยกับท่านฟังที่เป็นจํานวนมากอนะคะกว้างหลากหลายความรู้ความสามารถบางคนอาจจะฝึกมามากบางคนอาจจะยังไม่ได้ฝึกเลยหรือฝึกน้อยก็เลยพูดเอาแบบของคนที่ไม่ค่อยรู้เอาไว้ในเบื้องต้นนะคะว่าจะได้เข้าใจอ่าแล้วก็ไม่กลัว พวกเราก็าคุยกันเองนะคะท่านครับพวกที่ไปปฏิบะะัติเนี่ยค่ะเนก็เจอท่านหนึ่งเขาพูดน่าสนใจมากมเขาพยายานิ้วมาแตะที่ที่แขนเราแล้วบอกว่าเนี่ยการดูลมหายใจมันต้องอย่างนี้คือแตะเบาๆนะคะ oh. ไม่ไม่แล้วเขาก็กดอีกทีแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะ <laughs> ถ้ากดแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับถ้าเราเราเหมือนกับตั้งใจเนี่ยเกินไปนะคะมันก็คงจะเป็นอุปมาของพระพุทธองค์ที่จับนก ล<ช>้วนไปหรือว่าเชือกช่างกลึงะค่ะใช่ใชค่ะท่านกรุณายกเาขาเรียกอไะไรครับพุทธคด อ, อุ ป, ปม า, าหน่อยนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าจิตของเราเนี่ยมีความเพียรที่ปรารบจัดเกินไปจิตมันก็จะตั้งมันไม่ได้น่ะอุ ป, ปมาที่ยกเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับคนที่จับนกกระจาบด้วยมือสองมือแต่ถ้าจับแน่นเกินไปนกก็ตาย เหมือนการเวลาที่เราจะตั้งจิตของเราขึ้นถ้าเราบังคับมันมากเกินไปหรือว่าปรารบความเพียรเกินไปนะคำว่าปรารบความเพียรเกินไปเนี่ยหมายความว่าหักโหมเกินไปหรืออยากมากเกินไปหรือว่าทำความเพียรไม่สม่าเสมอเกินไปในลักษณะว่าความอยากเนี่ยเกินหน้ากำลังสติพูดง่ายๆก็เลยทาให้สติเป็นความแล้กก็ตั้งไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่าปรารบความเพียรน้อยเกินไปน้อยเกินไปก็เหมือนกับคนจับนกกระจาบด้วยมือสองมือหลวมมือเกินไปนกก็บินหนีไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกลับมาตรงจุดนี้เราบอเอ๊เราจะควบคุมจิตเราจะควบคุมจิตถ้าเราบังคับจิ ต, ตควบคุมกับบังคับนี่ต่างกันนะถ้าเราบังคับมันฟื้นเอาหักดิบเลยบางทีมันมันไม่อยู่มันจะปวดหัวจิตมันก็ไม่อยู่มันก็ดื้อแป้มันก็หนีไป แล้วสมมติว่าเราจะปล่อยให้มันลิงโลดคิดนั่นคิดนี่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการควบคุมนะการควบคุมตรงเนี้ก็พระพุทธเจาใช้คำ ว, ว่าฌานนะคือการเพ่งนะคือการเพ่งแล้วถามวราจะเอาจุดอะไรเป็นตําแหน่งที่ว่าให้เป็นหลักเป็นฐานก็ใช้ลหมหายใจบริเวณทางเข้าทงางออกของลหมหายใจซึ่งคําว่าฌานคือการเพ่งในแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่ามีการบังคับแต่ว่าถ้าจะใช้คําให้ถูก เรายังไม่ต้องพูดถึงหลักภาษาคําที่ใช้ให้ถูกก็น่าจะเป็นคําว่าเอาใจจดใจจ่อแต่คุณเอาใจจดใจจ่อไว้อยู่กับลมหายใจอย่าบังคับอย่าบังคับนี่หมายความว่าอย่าไปบังคับจิตอยไปบังคับความคิดไม่ให้มันไม่คิดไม่ให้มันไปที่นู่นที่นี่แต่ถ้ามันคิดมันไปที่นู่นที่นี่เอาใจมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจค่ะตรงนี้นะใจเฝ้าใจคําที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือใช้คําว่าสติ แปลว่าเอามาระลึกถึงที่นี่แทนที่จะให้มันไปที่อื่นดึงกลับมาที่นี่คําว่าดึงมันก็อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะสติแปล ว, ว่าระลึกใช่ใช่าระลึกถึงลมหายใจใช่คําสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกเพราะฉะนั้นในที่นี้ระลึกถึงอะไรอ่ะเช่นถ้าเราระลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วระลึกถึงหน้าคนนี้นคนนี้นี่คือการระลึกได้ทั้งสิน้นอาณาปานสติการระลึกถึงลมหายใจ ก็ที่ท่านไปบูรได้กล่าวมาจริงจสรุปให้ง่ายแล้วอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะในช่วงท้ายที่ท่านบอกว่าเมื่ อ, อเป็นวิธีที่จะให้เราระลึกถึงลมหายใจเป็นสำคัญอาณาปานสติถูกคะถูกต้องแซบนี้เลยใช่ค่ะดังนั้นเนี่ย ด, ดิฉันจะพยายามพูดถ้อยคำของที่ฉันนะคะในฐา น, น ะ, ะไปอยู่ข้างเดียวผู้ฟังที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ก็แล้วกันก็คือในการระลึก รู้ลมหายใจตามคําสอนของพระศาสดาเป็นธรรมชาติของจิตของเรานะคะที่จะเกิดปรากฏการต่างๆนานามีการปรุงแต่งของจิตในลักษณะต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นปรากฏการในลําดับที่เมื่อมีสติมั่นคงแล้วนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความอะไรล่ะจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอะไรเนี่ยนะคะใช่ใชอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราระลึกอยู่กับลมหายใจขอให้รู้ว่าสาระสำคัญคือเราก็ต้องระลึกถึงลมหายใจให้ได้ถูกต้องเลย่ไหมคะ <c oughs> คือมาระลึกถึงลมหายใจให้ได้แล้วให้กำลังใจค่ะดีก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะดักฟังที่ท่านพูดนะจับใจความได้ว่าเมื่อปฏิบัติจนชำนาญก็ลองไปทำไปเรื่อยๆ <c oughs> ความคล่องจะเกิดขึ้น ใช้ภ<ช>าษาไทยร้อเพราะพริ้งตบท้ายให้หน่อยได้ไหมคะภาษา พ, พุทธเจา้าอ่าพรุทชา ต, ชา ต, ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณเดียวนตคนที่ไม่ลืมหลงลมหายใจมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระไว้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณเดียวเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ถือว่าบูชาพระพุทธเจ้าแล้วแต่อยู่ที่ไหนก็ถือว่ามีการปฏิบัติธรรมแล้วค่ะ นะคะวันนี้ก็โหได้ไปเต็มๆเลยครับนมัสการขอบพระคุณท่านพุทโธเป็นอยางยิ่งนะคะนมันสการค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะและเนี่ยแหละนะคะเป็นสาระสําคัญมากการเจริญอาณาปานสตินั้นก็เป็นวิธีฝึกปฏิบัติที่พระพุทธองค์เนี่ยสันเสริมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธค์เองแม้เมื่อตรัสรู้แล้วนะคะก็ยังมีวิหารธรรมอานาปานสติที่ทรงอยู่มากด้วยก่อนการตรัสรู้ท่านก็ทำอย่างนี้ ตรัรู้แล้วท่านก็ยังปฏิบัติหรือว่าศิกขาอาณาปานสตินะคะวันนี้เราก็สมควรแก่เวลาแล้วค่ะลองไปฝึกปฏิบัติกันเลยนะคะสาระสําคัญอยู่ที่ระลึกรู้ลมหายใจติดตามรับฟังรายการสรนนิยนสนท น, นากันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะดิฉันจะสนทนากับพระอาจารย์ไพล์บูร์วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์แต่ถ้าอยากฟังธรรมะเต็มๆแบบพระอาจารย์ตั้งใจสแสดงให้กับพวกเราก็มีทุกวันละค่ะ คือสรุปแล้วทุกจันถึงสุกฟังกันแล้วกันนะคะที่ FM106 ค่ะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้พุทธวัตสวัสดีค่ะ